สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูห้าสิบห้านะครับความเชื่อตอนที่สามครับนะครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนนําเสนอเวลาที่เราปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความเชื่อของเรานะครับความเชื่อของเรานั้นหรือความเชื่อของใครก็ตามนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกถึงกระบวนการการเกิดความเชื่อนะครับว่ามาจากไหนความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังกับ ปแปลว่าอะไรครับจะต้องมีการสื่อสารนะครับสื่อสารเนื้อหาสา ร, ระแห่งความเชื่อจะต้องมีกระบวนการการคิดกระบวนการการพัฒนาความเชื่อของเราเมื่อวานนี้ผมได้นําเสนอว่ากระบวนการการพัฒนาความเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับความคิดนะครับและข้อมูลต่างๆที่เราทั้งหลายได้รับและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเสริมและบวกกับประสบการณ์ที่เราทั้งหลายมีกับพระองค์ในแต่ละวันคําถามที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะครับสี่คำถามด้วยกันนะครับ เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับคําถามแรกก็คือว่าเราต้องคิดเปลยนาเมื่อเราอยู่ในความรับผิดชอบต่างๆนะครับที่หนักหนาสาหัสที่หนักดวงหรือเราอาจจะอยู่ในความการข่มเหงเอาอาจจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากครับหรือเราบางทีอาจจะอยู่ในระหว่างการสูญเสียบุคคลที่เรารักไปหรือบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในวิกฤตการต่างๆในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต การคุกคามของภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องถามคำถามครับว่าพระเจ้าของเรานัเป็นใครเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับพระเจ้าของเรานนัเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ในฤมิ์สร้างจั ก, กรวาลโลกและสะรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้เดียวที่ครอบครองและควบคุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆและฝนลมก็อยู่ในสิ่งที่พระเจ้ า, าได้ทรงบัญชาและบรรดาลให้เกิดขึ้น และพงศ์ไม่เพียงแต่บรรดาที่เกิดขึ้นหรือสร้างเท่านั้นพงศ์ก็ยังดูแลรักษาเมนเทนแนนสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งในระมิดสร้างด้วยรวมทั้งพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเราพี่น้องครับเรามีพระบิดาบนสวรรค์นะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขอขนมปังพระบิดาจะให้งูเหรอคุณพ่อจะให้งูเหรอนะครับหรือให้ก้อนหินเหรอหรือเมื่อเราขอปลาหรือเราขอปลานะครับ พระเจ้าพระบิดาจะให้งูเหรอแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าไม่ได้ให้ของที่ไม่ดีแต่หลายๆลยครั้งความทุกข์ยากลําบากหรือสิ่งต่างๆที่เราได้รับอาจจะเป็นของไม่ดีเพราะเหตุที่เราทั้งหลายหานะครับหามันด้วยตัวเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าแกว่งเท้าหาเสียนนะครับหลายๆครั้งทีเดียวชีวิตของเราเป็นอย่างนั้น เมื่อเราแขวงเท้าแน่นอนครับมีวันหนึ่งเราจะไปเจอเซียนแต่พระเจ้าได้ควบคุมแต่หรือเพราะพระเจ้านั้นได้อนุญาตให้เซียนตําเท้าของเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และหันกลับมามีความเชื่อพึ่งในพระเจ้าอยู่ในฐานของพระองค์ต่อไปประการที่สองครับเราจะต้องถามตัวว่าพระเจ้าทรงทำอะไรนะครับนอกจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้แล้วพระเจ้ายัางทรงให้อิสระเสรีกับเรานะครับ เลือกพี่น้องครับเรามีอิสระเสรีในการเลือกมากขนาดไหนครับมีไหมครับในขณะที่พระเจ้าได้ทรงทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ได้ลงมาและเพื่อที่เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดที่เรามองเห็นได้เราสัมผัสได้เราได้ยินได้นะครับถามว่าพระเจ้าทรงทําอะไรครับคําตอบก็คือว่าพระเจ้าทรงช่วยเรา แต่เราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับการตอบสนองต่อพระเจ้าทําให้เราม <Blessed. S 2> ีความรู้สึกว่าเราได้เลือกนะครับเราจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องเลือกพระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราเราจะต้องเลือกพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดพระเจ้าต้องเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรานี่คือความเชื่อครับประการที่สามครับคําถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งแรก ที่เราจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้านะครับเราจึองตอบสนองต่อพระเจ้าคำตอบก็คือสิ่งแรกที่เราตึงตอบสนองต่อพระเจ้าคือความเชื่อนะครับสิ่งต่อไปก็คือการเชื่อแล้วจะต้องเชื่อฟังครับการเชื่อฟังนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อนะครับเราจะต้องยอมรับด้วยความเชื่อของเราแตะเชื่อในความจริงนี้ต่อจากนั้นเราจะต้องเริ่มต้นกระทำด้วยการเชื่อฟัง เชื่อฟังอะไรครับเชื่อฟังพันธะญาต่างๆในพระกมภีร์แล้วก็ประยุกต์ใช้พันธะญาเหล่านั้นในชีวิตประจําวันของเราครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับชีวิตคริสเตียนในการพัฒนาความเชื่อนะครับกับพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้านั้นจะต้องพัฒนาด้วยประสบการณ์ด้วยการเชื่อฟังครับเมื่อเรายิ่งเชื่อฟังเราจะยิ่งมีประสบการณ์กับการช่วยกู้ของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเดินด้วยความเชื่อฟัง ซึ่งเริ่มต้นจากความเชื่อนั้นจะทําให้เรายิ่งลึกลงลึกกับพระเจ้าเมื่อเรายิ่งมีประสบการณ์เรายิ่งลงลึกผมเคยอธิบายแล้วนะครับว่าเมื่อเรายิ่งเชื่อฟังเราจะยิ่งมีประสบการณ์เราจะยิ่งรู้มากขึ้นว่าพระเจ้าน่ารักพระเจ้าทรงพระสัญญ์ทรงดาเนินตามพระสัญญาทรงสัต์ซื่อตามสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และเมื่อเช่นนั้นเรารู้เช่นนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าของเราน่ารักเราก็จะรักพระองค์มากขึ้นครับ เมื่อเรายิ่งรับพระองค์แน่นอนครับการตอบสนองเลยเพื่องสูงขึ้นไปก็คือยิ่งรับใช้พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ากว้างไกลขึ้นปรารถนาที่จะถวายตัวพระเจ้าในดีกรีที่ลึกมากยิ่งขึ้นในดีกรีที่แรงมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องครับคําถามที่สี่ก็คือว่าแล้วถ้าทําอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะตอบสนองเราอย่างไรอะไรบ้างนะครับง่ายๆครับคําตอบสั้นๆคําตอบเดี่ยวฟันตรงก็คือ พระเจ้าจะทรงรักษาพัญญาของพระองค์นั่นคือพระคุณและพระพรพระกรุณาอันอุ ด, ดมนั้นจะไม่ขาดจากชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อพื่อนครับพราะวาเจตนของพระเจ้านะครับผมมีอยู่สี่ข้อในวันนี้นะครับที่จะเป็นของฝากที่จะให้พี่น้องนะครับที่รูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หกนะครับเพื่อทําให้พระเจ้าพอประไทยบุคคล น, นั้นจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ และจะประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์นะครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับทีบูบที่11ข้อที่6นะครับข้อที่2ครับหนึ่งยอนบทที่4ข้อ16นะครับบุคคลที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเขาและเขารักพระองค์พระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าอีกชิ้นหนึ่งครับบุคคลที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเขา และเขารักพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นพี่น้องครับวลีคําว่าพระเจ้าจะทรงสถิตในผู้นั้นนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่นะครับแต่คําว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นหมายความถึงความรู้สึกหรือการประจักษ์ในใจนะครับการมีประสบการณ์ในใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราขาดและประสบการณ์ของเราและคนที่มาจากพระเจ้านะครับ ขาดไปเพราะอะไรครับเพราะเหตุที่ว่าเรานะครับ <c oughs> รู้แต่ในใจครับแต่เราไม่ประจักษ์เราไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ความเชื่อนั้นทําให้เรารู้สึกได้ความเชื่อและประสบ ก, การณ์กับพระเจ้าที่เราเชื่อฝังพระองค์นะครับทําให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราตอบสนองเราซาบซึ้งตอบพระองค์ด้วยการรักพระองค์ตอบของฝากปร สิ่งที่สามนะครับข้อข้อมีรวมหมที่สิบข้อสิบเจ็ดครับความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังครับความเชื่อนั้นเกิดขึ้นจากการสอนการเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์เพื่อน้องครับทําให้ผมได้กลับมาคิดว่าทำไมผมจะต้องตื่น เ, เ, ช, เช้าเพื่อที่จะแบ่งปันโภชนาของพระเจ้าก็คืออยากจะให้พี่น้องได้เกิดความเชื่อครับเมื่อความเชื่อเกิดครับพี่น้องจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในแต่ละวัน แต่เมืม่อประสบการณ์กับพระเจ้าในแต่ละวันพระองค์งจะทรงโปรเทคหรือพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตของพี่น้องในขณะเดียวกันเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อฟังก็จะยิ่งรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรักพระเยซูมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับคนที่รักพระเยซูเฉยๆนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับรักพระเยซูเฉยๆไม่ได้ครับเขาจะต้องยิ่งอะไรครับยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งถวายตัวของเขาในระดับลึกซึ่งมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้ น, นครับสุดท้ายครับโพรจนาพระเจ้าซึ่งเป็นของฝากในวันนี้คือโคลอสีบทที่สองข้อที่หกและข้อที่เจ็ดหลังจากที่เราได้ต้อนรับพระเยซูนะครับชีวิตของเราก็จะยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระเยซูโดยผ่านทางความเชื่อครับนะครับนี่คือกระบวนการการเติบโตด้วยความเชื่อเพระเาะฉนัของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ และห้เรารู้ว่าความเชื่อนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะเป็นชีวิตที่พระเจ้าขอพระไทยและเป็นชีวิตที่ทำให้เราเป็นประพรต่อผู้อื่นอีกมากมายอาเมน